กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถาวายความกรุบรายังพระอาจารย์ไผ่สารพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์ทรงศิลป์หลวงพ่อกมพระอาจารยอ์ออสขอโอกาสเพื่อนสรัทธมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนอ่ะก็นั่งกันตามปกติเนะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืน ประมาณเที่ยงคืนครึ่งอายุมาอย่างแรงเลยใช่ไหมโอ้บางคนก็โอ้มันจะอย่างไรแน่เนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยู่ในกุติเนะก็มีที่มุงที่บางฝนอจาจจะสาดเข้าไปบ้างนะบางกุตินะแต่บางกุติก็เรียบร้อยดีนะก็ยังหลับนอนต่อกันได้เป็นปกตินะ อันนี้ก็ถือว่าเรามีสิ่งมุงบังนะทำให้เราไม่ต้องเปียกตอนทำให้เราไม่ต้องได้รับความลำบากเนาะฝนตกพายุมาอย่างแรงจริงๆตอนนี้ไฟดับนะเนี่ยพอนะดีเรามีเครื่องปั่นไฟเนาะก็ได้อาศัยเครื่องปั่นไฟที่จะทำให้เราได้ใช้แสงสว่างนะในการที่มาทำกิจวัตรนะก็คือการมาไหว้พระสดมน นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะแม้ว่าฝนมันจะตกฟ้ามันจะร้องพายุมันจะมานะเราก็ไม่ย่อท้อใช่ไหมเราก็พร้อมนะที่จะมาทำกิจวัตรนะที่เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจเนาะในการที่จะมาประพฤติปฏิบัตนะิการที่เรามีกุติก็ดีสาราก็ดีนามุงบัง นป้องกันฝนนป้องกันลมนก็ทำใหเ้เราสามารถที่จะอยู่ได้นโดยไม่ได้รับความลำบากนาตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะจิตใจของเราเนี่ยนถ้าไม่มีอะไรป้องกันไม่มีเกราะป้องกันเนี่ยนาเวลาพายุอารมณ์มรสุมชีวิตมันเข้ามาเนี่ยนาบางทีเราก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันใช่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนก็จำเป็นเนาะ ที่เราจะต้องมีเกราะป้องกันหรือมีที่มุงบังนะรักษาให้จิตใจของเราเป็นปกตินะในชีวิตของเราเนี่ยนะมันจะมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะจะเป็นเรื่องราวเป็นบุคคลเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะที่จะมาเกี่ยวข้องหรือมาสัมพันธ์กับเรานะถ้าเราไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ดี <c oughs> นะไม่ได้ฝึกฝน จิตใจของเราให้ตั้งมั่นนาให้มีสตินาให้มีปัญญานาพร้อมที่จะประเชิญกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนาบางทีมันก็จะทำให้เราเนี่ยนาจิตใจของเราเสียความเป็นปกติไปนาบางทีก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยนาเรียกว่ากระทบกระเทือนใช่บางคนก็เสียผู้เสียคนไปเลยนาบางทีตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนนาไม่ได้อบรม เรนะไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเอาไวนะ้ไม่มีสิ่งมุงบังไม่มีเกาะป้องกันตัวนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เร า, เ า, เาที่มากันในครั้งนี้นะจะเป็นคนใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดนะีเรามาหาเครื่องมุงบังนะหรือว่าเครื่องป้องกันนะเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยนะมันเป็นปกตินะอยู่เสมอเสมอ ทุกครั้งที่มีมรสุมเข้ามามีปัญหาเข้ามาแต่ บ, บางทีเราตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันใช่ั้ยถ้าเราไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาไวนะ้ตรงนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นปกติของใจได้ชีวิตของคนเราเนี่ยนะถ้าจิตใจของเราเนี่ยนะเป็นปกติอยู่บ่อยๆนะตรงนี้มันก็จะทาให้เรา ล้อมนะที่จะมีชีวิตเป็นปกติสุขนะแล้วก็ทำการทำงานตามหน้าที่แต่ถ้ามันมีเรื่องราวต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆเข้าม า, า, า world, นะทำให้ใจเราไม่เป็นปกติเราวิตกกังวลนะเราไม่สบายใจเราเป็นทุกข์นะตรงนี้มันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่ได้รับผลนะดีเท่าที่ควร หรือเรียกว่าไม่มีกระจิกระใจในการทำงานก็ได้นะใช่ไหมตรงนี้เพระาะฉะนั้นการที่เรามาฝึกฝนนะะม า, เ, าเรียนรูนะะ้การที่จะหาเครื่องมุงบงังหรือว่าเครื่องป้องกันนะะมีให้สิ่งที่มากระทบกระเทือนใจนะเข้ามาทำร้ายจิตใจเราได้นะโดยเฉพาะย่างยิ่งความคิดปรุงแต่งนะความคิดปรุงแต่งนี่เป็นส่วน สำคัญนะที่จะทำให้จิตใจเราเป็นปกติหรือไม่ปกติใช่และไอ้ความคิดเนี่ยนะมันมันมันมีทั้งถ้าเรารู้จักใช้นะมันก็จะมีประโยชน์นะอย่างเราใช้ในการนำการํางานใช่แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้นะบางทีเราก็เรียกว่าเผลอคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะพายุมากเนี่ยเอมันจะอย่างไงแน่เนี่ย นะบางคนอาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนะที่กุฏิเรากิ่งไม้ร่วงลงมาที่กุฏิอรรมาก็มีกิ่งไม้ร่วงลงมานะก็ยังคิดอยู่เอ๊ะเดี๋ยวต้นไม้ใหญ่ใมันจะล้มหรือเปล่าเนี่ยเอ่ะต้องเตรียมตัวแล้วนะอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือคิดปรุงแต่งไปนะบางคนอาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้เมื่อคืนนะใช่ไหมแต่บางคนก็อ่ะไม่เป็นไรนะก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอย่างนั้นเอง นะเราก็ปิดหน้าต่างนะปิดประตูให้เรียบร้อยนะฝนมันาสาดเข้ามาไม่ได้นะอันนี้เราก็เรียกว่าเราก็ยอมรับกับสภาพของความเป็นจริงนะแล้วก็อาศัยสิ่งที่มีเครื่องมุงบังนะตรงนี้ก็ทาให้เราสามารถที่จะนอนหลับต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อคืนถ้าใคราสามารถที่จะวางใจได้นอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วเราก็วางจิตวางใจของเรานะ มันคงไม่ร้ายแรงอย่างที่เราคิดหลักนะเนี่ยตัวความคิดตรงแต่งนี่สาคัญนะถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันเนี่ยบางทีมันก็หลอกของเรามันหลอกเราได้อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้เท่ารู้ทันนะแต่มันมีนิทานเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะอันนี้ธรรมาก็ไปจำมาอีกทีนะไปจํามาจากของอาจารย์โกวิทเขามานันทะนะบางคนอาจจะเคยได้ฟังแล้วนะแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟังนะก็อยากจะเล่าให้ฟัง มันก็มีเจ้าชายของเมืองเมืองหนึ่งพ่อเนี่ย <c oughs> เตรียมตัวจะให้เป็นกษัตริย์เนาะก็เอาไปเรียนวิชาศิลปะวิทยาต่างๆกับลือศตนหนึ่งอยู่ไกลจากเมืองบนเขาก็ไปเรียนอยู่ประมาณสักสิบปีสิบปีนปี่ก็ถือว่าสำเร็จวิชาและเมื่อสำเร็จวิชาก็จะลากลับ ไปพัฒนาบ้านเมืองนะทีนี้ก่อนจะกลับเนี่ยก็เป็นธรรมดาเนา ะ, ะครูบาอาจารย์ก็มีของดีเนาะฝากไปนะก็มีพระอบนะพระอบพิเศษนะอ่านี่นะของพิเศษอันนี้นะเจ้าเอาไปนะเพื่อจะได้ไปช่วยเจ้าทํางานช่วยพัฒนาพ่อช่วยพัฒนาเมืองของเจ้าและอีกหน่อยเจ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยไอเนี่ยมันจะใช้ได้แต่มีข้อห้ามอยู่อย่างนนะ ห้ามเปิดระหว่างทางเนะี่ยเดี๋ยวมนนันจะอันตรายให้ไปถึงเมืองก่อนนะแล้วค่อยไปเปิดนะอ่ะเจ้าชายก็รับคําด้วยดีนะแล้วก็ล่ำลาอาจารย์นะทีนี้ระหว่างทางนะระหว่างเดินทางไปเนะีนะ่ยเจ้าชายก็คิดก็อยากรู้ไอ้ในพระอบมันมีอะไรนะของวิเศษในนั้นมันมีอะไรนะที่อาจารย์เตือนไว้เนี่ยไม่จริงอะมะ อาจารย์คงจะหลอกเราอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะต้องแก้ได้นะนะก็เรียกว่ามั่นใจในความรู้ของตัวเองนะทีนี้้ความอยากรู้เนี่ยนะก็จําเป็นจะต้องอยากก็เปิดพอเปิดโผล่ออกมาเท่า น, นั้นล่ะนะเกิดอะไรขึ้นขวันพวยพุ่งออกมาเลยแล้วมันก็มียักษ์ตนหนึ่งออกมายักษ์มันบอกว่าเจ้านายข้ามีพลังมากโปรดใช้งาน ไม่ฉะนั้นข้าจะทำร้ายท่านเอาละสิ <c oughs> สิ่งที่การไม่ถึงมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้เยี่ยมเลยเจ้ามีพลังมากใช่ไหมเอาเจ้าไปสร้างเมืองให้ข้ามเมืองหนึ่งโอ้ยักษ์นี่มันมีพลังมากนะมันใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีอะ่ะนะมันสามารถที่จะสร้างเสร็จและเมืองใหญ่โตมากพอมันสร้างเสร็จมันก็วิ่งมาเจ้าชาย แล้วก็บอกว่าเจ้านายข้ามีพลังมากโปรดใช้งานไม่เะนั้นข้าจะทำร้ายท่านเอาละสิเอ่ยสร้างเมืองเสร็จแล้วทำไรต่ออ่ะอ้พวกเราคิดว่าจะสร้างไรต่อดีอ่ะทำไรต่อดีอ่ะออไม่ใชว่าไงนะปลูกผักนะอา้าทําเกษตรปลูกข้าวนะอา้าวปลูกข้าวทำกเกษตรไว้สำหรับเลี้ยงนะใช้เวลาแค่เดือนเดียว นะปลูกเสร็จหมดเลยทั่วเมืองเลยจะเอาอะไรบ้างอะเอาผัดเอาข้าวนะขุดบอ่อเลี้ยงปลานะทำกะเกษตรเ ด, เดือนเดียวเสร็จเรียบร้อยวิ่งมาหาเจ้าชายเจ้าชายข้ามีพลังมากโปรดใช้งานไม่เช่นนั้นข้าจะทารายท่านเอาเลยดีว่าเอาอะไรดีว่าอ้าวสร้างถนนนะสร้างถนนในเมืองของพ่อข้าเนี่ยนะมันลําบากนักเนี่ยทำให้มันสบายอา้อาวทาไป มันใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวอ่ะน่า ย, ยิ่งสั่งงานเท่าไหร่มันยิ่งทําได้เร็วขึ้นเท่านั้นแหะน่เรียกว่ายักษ์นี่มันมีความชํานาญอาทิตฐ์เดียวเสร็จกลับมาอีกเจ้านายข้ามีพลังมากโปรดใช้งานไม่ฉะนั้นก็จะทําลายท่านเอาละสิจะให้ทําอะไรกันสร้างเมืองก็แล้วปลูกผักปลูกข้าวอะไรก็แล้วนะปลูกดอกไม้ก็แล้วสร้างถนนก็แล้วก็สั่งให้ทำนะ่ะอ้าวขุดคลองนะ่ะทำชนะทาน นะอา้ายักษ์มันก็ทำทีนี้เจ้าชายเริ่มมาคิดแล้วว่าเอ๊ที่ที่ที่อาจารย์บอกมันถ้าจะจริงนะไอ้ไอ้ยักษ์ตัวนี้มันโอ้โหแล้วจะจะทำยังไงเนี่ยสั่งงานไปให้มันทำงานพอมันทำงานเสร็จมันก็จะคาคำพูดเดิมเนี่ยกลับมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสงสัยเราจะแย่ซะแล้วเนี่ยสั่งงานไปพางวิ่งกลับไปหาอาจารย์พางหนึง่งนาพยายามที่จะขี่ม้ากลับไป พอสั่งงานเสร็จชิ้นหนึ่งไอ้ยักษ์มันก็ทําเสร็จก็วิ่งกลับไปกว่าจะไปถึงอาสมของฤๅษีเนี่ยโอ้โหแทบแย่นะเหนื่อยมากเลยแล้วก็ไปกราบอาจารย์โอยอาจารย์ช่วยช่วยช่วยลุกด้วยช่วยลุกด้วยนะเนี่ยยักษ์มันจะทำลายทำยํำแบงไหนดีอาจารย์โอ้ฤๅษีพอ ร, ร, รู้เรื่องอย่างนี้ปุ๊บโอ้ยหัวเราะเลยเออนีน่ยนะมึงไม่เชื่อกูนะเ <laughs> นี่ย ไ, ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออาจารย์นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เอาล้วอาจารย์จะทำยังไงอ่ะจะควบกู้แม่ยักษ์ตัวนี้มันยังไงอ่ะไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะเรียกมันมาทีเออนะอ่ะไอยักษ์มันวิ่งเข้ามาเจ้านายข้ามีพลังมากโปรดใช้งานไม่ฉะนั้นก็้าจะมาไายท่านฤศีก็ทํำยังไงพวกเราคิดว่าธีทําไงดีไอยักษ์ตัวนี้มันเข้าไปในกระปุกเดิมป่ะมันไม่เข้าแล้วมันออกมาแล้วมันไม่เข้าแล้วฤศีทําไงดึงขนจักรเแลมาเส้นหนึ่ง ขนจักแล่มันหงิดใช่ไหมอ้าวไอ้ยักษ์เองไปดึงให้ตรงไอ้ยักษ์นี่ก็โง่มันก็ไม่ได้ฉลาดอะไรมากนะเออมันก็มันนั่งดึงขนจักรแล่น่ะให้มันตรงพอตึงต่อยมันก็งอใช่ไหมดึงให้มันตรงอ้าวมันก็งอยให้มันทําอยู่อย่างเงี้ยให้มันนั่งทําอยู่อย่างเงี้ยพอเวลาจะใช้งานก็เอาขนจักรแลมาอ้าวไปทํางานนะพอมันทํางานเสร็จมันมาอีกมันอยากจะเอางานอ้าวให้มันดึงขนจักรแลอีก นะ <c oughs> ให้มันทำอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายยักษ์มันอยู่ในอำนาจนะมันมันเราสามารถจะควบคุมได้ทราบไม่ยักษ์ตัวเนี้ยในตัวเราก็มีอยู่อะไรทราบไหมทายสิฮะอะไรไม่ชีบอกความคิดใช่ปะ่ะตื่นนอนมันก็คิดแล้วยังไง คิดน่นคิดนี่คิดนั่นบางทีจะนอนก็ยังคิดใช่ไหมเพราะนั้นความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันเราไม่หางานให้มันทานะ <c oughs> มันก็จะหาเรื่องคิดไปเรื่อยทีนี้นการที่เรามาฝึกสติเนี่มายกมือก็ดีมาใช้ลมหายใจก็ดีโดยเฉพาะยิ่งการมาเคลื่อนไหวเนี่ยเราดูมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาใช่ไหมไม่มีอะไรเลยแต่ตรงนั้นเนี่ย ถ้าเราได้ฝึกเราได้ทํเนี่ยไม่รู้ทามากี่วันแล้วนะสองวันสามวันเนี่ยการที่มายกม้ายกมือเนี่ยนะก็เหมือนกับการที่เราให้ให้ความคิดเนี่ยนะเรียกว่าให้รู้ทันความคิดความคิดเวลาเราใช้การใช้งานเใช่เราก็ใช้การใช้งานไปแต่พอเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยเราก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวก็คือให้ใจเนี่ยมันมีอยู่กับการเคลื่อนไหวถ้าใจนะมันไม่มีที่พัก ไม่มีที่อยู่เนี่ยมันก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะใช่ไมมชีวิตของเราเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยนะแล้วก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างนะบางทีก็มีปัญหาปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะไม่พอใช้บ้างใช่ไมตรงเนี้ย <c oughs> มันก็ทาให้เราเครียด ไะนั้นตรงเนี้ความคิดมันเหมือนยักษ์กันแหละไอ้ยักษ์ตัวนี้มันหางานทําอยู่เรื่อยเราก็หาเรื่องคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรามาวัดป่าสุกโตรเรามาฝึกฝึกเพื่อที่จะจัดระเบียบความคิดนะไม่ได้ไปห้ามความคิดนะการฝึกเจริญสติเราไม่ได้ห้ามความคิดแต่ให้รู้เท่าทันมันแล้วไม่ตามมันเวลาเราจะใช้งานเราก็ใช้เมื่อเราไม่ใช้ก็ให้มันพักพักที่ไหนก็พักอยู่อาการเคลื่อนไหว ให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายที่เคลื่อนที่ไหวเพราะนั้นการที่เรามาเดินจงกรมสร้างจังหวะนะจุดประสงค์จริงจงก็คือให้เรามาฝึกตรงนี้นะเราไม่เรียกว่าไม่เผลอเลยไม่หลงไปกับความคิดคิดปรุงแต่งในเรื่องราวต่างๆนะเนี่ยเรามาฝึกเนี่ยเป็นไงบ้างคิดฟุ้งเลยเยอะไหมโหย้ยกระจายเลยใช่ไหมมาคิดว่ามันจะสงบ วันแรกมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะวันสองวันสามวันแรกเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยฟุ้งเพราะว่ามันเคยชินชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เราตื่นนอนเนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วเออวันนี้จะทําอะไรวันนี้จะกินอะไรวันนี้จะไปไหนนะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังไม่ตื่นนะนอนไปก่อนใช่ไหมยิ่งฝนตกไงโอยทับายเย็นสบายมช่ไ แต่พอเราตื่นช้ า, าอาะต้องทำให้หนู่นต้องทำให้นี่คิดละความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักจัดระเบียบมันมันก็จะมีผลนาทำให้เราต้องเสียพลังงานสังเกตไหมวันหนึ่งเนี่ยเราคิดไม่รู้กี่เรื่องเคยมีนักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์เนาะเขาเคยใช้เครื่องมือวัดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคนนึงคิดกี่เรื่องพอเราถ่ายดิ ร้อยพันหมื่นแสนล้านใครว่าร้อยยกมือขึ้นใครว่าไม่ถึงร้อยยกมือขึ้นอ่าไม่ถึงร้อยนะใครว่าพันหนึ่งยกมือขึ้นใครว่าหมืน่นใครว่าแสนใครว่าล้านอะไรที่เหลือว่าไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะ <S <S <S ประมาณหกหมื่เรื่องไม่น่าเชื่อเลยนะ เราสังเกตไหมวันไหนเราใช้ความคิดมากเนี่ยมันจะเพลียมันจะเหนื่อยไม่อยากทําอะไรเลยตอนเย็นนี่นะใช่ไหมแล้วคิดมากก็กินจุกกินจิกนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ถ้าเรารู้จักที่จะจัดระเบียบความคิดอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดเนี่ยเราจะเสียพลังงานน้อยลงการมาฝึกสติเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้ได้นะการยกมือการเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือการที่เรามีสติ อยู่กับการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจาวันนะตรงนี้มันจะทำให้ <c oughs> ใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะไม่หลงไปในความคิดโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดความคิดนีมีสองอย่างนะหนึ่งความคิดที่ตั้งใจคิดเช่นเราทำการทำงานความคิดชนิดนี้สังเกตนะพอเรางานงานเสร็จสำเร็จกว่าง อันนี้ไม่เค่อยมีปัญหาอะไรแต่ความคิดชนิดที่สองเนี่ยคิดจบคิดจิกคิดไม่จบไม่สิ้นคิดพล้ำเพลื่อนะหลวงพ่อคำเขียนใจคำบาลักษ์คิดขโมยคิดหรือบางทีต้องใช้คาที่โอ้โหนะฟังแล้วมันเจ็บมากๆเลยนะโสเพณีจิตมันคิดสัาสนเนี่ยคำว่าคิดสับสนนี่คือคิดไปเรื่อยเปื่อยนะคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยขณะจะนอนมันยังคิดเลยใช่ไหม ความคิดที่หนึ่งตั้งใจคิดกับความคิดที่สองไม่ตั้งใจคิดเนี่เราเคยสังเกตไหมอันไหนมันมากกว่ากันใครคิดว่าหนึ่งมากกว่ายกมือใครคิดว่านันสองยกมากกว่ายกมือโอ้หทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วเราเสียพลังงานไปตรงนี้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำยังไงให้ความคิดชนิดนี้เนี่ยมันลดน้อยลงก็คือกลับมารู้สึกตัวมาฝึกสติ การฝึกสติเนี่ยก็คือการที่เราฝึกให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนั้อกับตัวแต่การฝึกเนี่ยมันจะเปนึกไปคิดเอาไม่ได้นะเราต้องฝึกแล้วรูปแบบของการฝึกที่นี่ก็ชัดเจนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็พาปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมซึ่งเป็นวิธีการที่เราสามารถประยุกต์เอาไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันกับการกับงาน ไปนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> เรามีเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยนะขอให้เราทำเรื่องนี้ให้เต็มที่แต่ก็อย่าไปหวังอะไรมากนะว่ามันจะเป็นยังไงทำไปเรื่อยๆทำเล่นๆแต่ทำเรื่อยๆนะคำว่าทำเล่นๆนี่ก็คือว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังจนเครียดนะแต่ถ้าบางคนทำแล้วเครียดก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นประสบาการณ์นะใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่พอดีหรอกมันหนักไปบ้างมันเบาไปบ้าง มันตึงไปบ้างเป็นย่อนไปบ้างไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบาการณ์นะเดินจงกรมสร้างจังหวะมีเวลาว่างเมื่ อ, อไหร่ให้ทำอย่าเอาเวลาไปพูดไปคุยกันหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะเครื่องมือสื่อสารเราเก็บเลยอย่าไปใช้เลยตอนนี้นะโอ้โหอุตส่นมาป่าสุกโตและยังมาเล่น f a c e b o ๊ k มาเล่นลายเล่นอะไรกันอยู่อันนั้นเอาเก็บไว้ไปเล่นที่ที่บ้านอยู่ที่นี่เนี่ย ให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียกว่าอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกการติดต่อสื่อสารมันการส่งจิตออกไปข้างนอกการฝึกของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ต่อเนื่องนะแล้วพยายามที่จะตัดสิ่งที่จะมาทำให้เราวกแวกเนี่ยมันจะช่วยทำให้การเจริญสติของเรามีความต่อเนื่องแล้วใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวตัวสติตัวปัญญานี่แหละมันจะเป็นเกาะคุ้มครองใจนะ ที่จะไม่ให้อารมณ์ต่างเนี่ยเข้ามาทําให้จิตใจของเราเสียความเป็นปกตินะเสียใจดีใจพอใจไม่พอใจนะ่ะใจมันจะปกตินะเรียกว่ามันมีเกราะมีเครื่องมุงบังนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษนะที่พวกเราได้มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตแล้วก็ได้มาฝึกนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรนะ ชักชวนกันทาชักชวนกันปฏิบัติเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเครื่องมือมีเกราะคุ้มครองตัวเองนาที่จะไปใช้ชีวิตนที่จะไปทำการทำงานนะต่อไปนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าคุ้มค่าเนาะคุ้มค่ากับการที่เราเสียสละเวลาเสียสละเงินทองนเดินทางมาบางส่วนจะมาด้วย ความศรัทธาบางส่วนจะหน่วยงานส่งมานะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษของเราเลยบางคนก็บอกนาทีทองของชีวิตก็ได้นะที่เราได้มาเรียนรู้พวกนี้เพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะสองสาวันที่แล้วแตมาไม่อยู่แตมาไปชุมพรเนานะก็ไประหว่างเดินทางวิธทีก็นั่งแท็กซี่บ้างอะไรบ้างแนะท็กซี่เขาก็เปิด สถานีกองทัพปกมีเรื่องธรรมะนะพระทั้งประเทศธรรมะอะไรต่างๆนะแล้วปิดท้ายด้วยการเชิญชวนร่วมทําบุญสร้างนู้นสร้างนี้สร้างนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ยินแต่เรื่องพวกเนี้ยการทําบุญการให้ทานนะแต่ว่าการที่จะมาปฏิบัติเนี่ยไม่เคยมีนะน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ได้มายโอกาสเนาะมาวัดป่าสุกโตได้มา เรียนรู้มาฝึกฝนเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นอาทีทองเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปล่าประโยชน์เนาะช่วงว่างๆเนี่ยช่วงที่มีการฝึกฝนก็ให้ตั้งใจในการที่จะฝึกปฏิบัติและถ้ามีเวลาที่หยุดพักนะก็พยายามอย่าไปติดต่อสื่อสารข้างนอกหรือว่าการพูดคุยพูดคุยให้น้อยที่สุดคุณจะได้รับประโยชน์มากที่สุด นะถ้าคุณมัวไปพูดไปคุยกันเนี่ยนะเนะี่ยมันก็เสียเวลาไปละแล้ ว, ลวบางทีเนี่ยนะ <c oughs> ปฏิบัติดีๆเนี่ยนะโอ้มีสติดีนะแต่พอไปพูดไปคุยกันนิดเดียวมันหายหมดเลยสตินี่มันของละเอียดอ่อนมากนะบางทีเนี่ยเราเราเราเราไม่เห็นความสำคัญนะแล้วบางทีมันฝึกใหม่ๆมันก็เบื่อเนาะนั่งยกมืออยู่นั่นนะเดินจงกรมอยู่นั้น่ะนะนเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ไม่เป็นไรอันนี้แหละนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องผ่านจะต้องเรียนรู้อารมณ์แรกๆของการปฏิบัติมันจะมีอย่างนี้แหละง่วงเบือ่อฟุ้งซ่านสงสัยลังเลง่วงในมาตัวแรกเลยใช่ไหมโอ้โหขนาดเมื่อคืนเราก็นอนหลับดีนะแม่แต่กลางวันนั่งยังมาง่วงอีกนะเบือ่อมีไหมเออมันก็มีเหมือนกันนะทายกมืออยู่นั้นอะ ซ้ำๆสักๆถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ทําแล้วล่ะแต่ตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นการทดสอบความแข็งแรงของจิตใจถ้าเราง่วงเราเบื่อแล้วเราเลิกเลยนั่นคือเราไม่สามารถผ่านอารมณ์นี้ได้อารมณ์เบื้องต้นของการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้แหละความง่วงความเบือ่อความฟุ้งซ่านถ้าเราทําไม่ยอมแพ้มันนะจิตใจเราเข้มแข็งมีความอดทนสติยังไม่มีขันติไปก่อน ขันติปรมังตะโปติติขาใช่ไมขันติเป็นตะบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งตรงนี้อดทนไปก่อนแล้วถ้าเราอดทนมากๆมันจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งเหมือนเราออกกำลังเนี่ยวันแรกที่เราไปวิ่งเนี่ยเป็นไงโอ้โหเหนื่อยใช่มแต่เราวิ่งวันที่สองวันที่สามัมนจะเข้มแข็งขึ้นจิตใจของเราเนี่ยเมื่อมันเจอความง่วงเจอความเบื่อแล้วเราไม่ยอมเลิกเรายังทาต่อเนื่อง เดี๋ยวมันจะผ่านอารมณ์พวกนี้เพราะผ่านอารมณ์พวกนี้เนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นความง่วงมันจะไม่มีอิทธิพลกับเราความเบื่อจะไม่มีอิทธิพลกับเราและแตะกี้นี้เราก็สวดไปแล้วใช่ไหมทุกสิ่งมันมีความไม่เที่ยงมันมีความแปลปวนเปลี่ยนแปลงสังเกตมันง่วงตลอดเวลาไหมละ่ะมันเบื่อตลอดเวลาไหมละ่ะไม่หรอกงาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยอันนี้มันเพื่อทําให้เราวางจิตวางใจเนาะกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาใน ชีวิตจิตใจของเราเราก็รู้จักการปล่อยการวางเพราะนั้นทุกครั้งที่เรากลับมารู้สึกตัวนั้นก็คือเราปล่อยวางปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์นะที่เขาบอกให้รู้จักหัดปล่อยหัดวางเนี่ยก็คือตรงนี้นี่แหลนะะตรงเนี้ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ได้ตัวเราเองได้นะแล้วก็มีเกราะคุ้มครองป้องกันจิตใจของเรานะไม่ให้โดนความคิดเข้ามาหลอกนะ เข้ามาสั่งการให้เราทำนูนำ่นทำนี่สิ่งที่ควรทำก็ควรทำสิ่งไม่ควรทำก็ไม่ต้องไปทำนะตรงเนี้ยนะแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นความพอเหมาะพอดีของใจเรามันไม่ใช่เฉพาะใจนะเดี๋ยวมันนั่นความพอเหมาะพอดีของกายด้วยควรจะกินอะไรแค่ไหนยังไงควรจะใช้เสื้อผ้าแค่ไหนยังไงมันจะส่งผลไปถึงความพอเหมาะพอดีในการใช้ชีวิตนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ ถือว่าเป็นเป็นโอกาสพิเศษของพวกเราเป็นนาทีทองเนาะที่มาอยู่จะอยู่กี่วันก็ตามนาให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ใช้เวลากับเรื่องพวกนี้และที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนก็มีเอ่อเรียกว่ามีความตั้งใจใช้เป็นที่ที่สำหรับการฝึกเรื่องพวกนี้เพื่อที่ให้เราได้มีเครื่องมือสำหรับที่จะไปใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุข แล้วก็ไปทําการทํางานไปบปําเพ็ญประโยชนนะ์เพื่อส่วนรวมต่อไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในช้าวันนี้เนาะอลไรในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงอังคุณของพระศรีรัตนตรัยแล้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะักกูสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเสถจยรธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะทั้งในตัวเรานอกตัวเรา แต่ที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงน่ไม่คงที่คงตัวไม่อยู่ในอำนาจของเราประสงค์ก็คือการประพฤติธปฏิบัติของแต่ละคนด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้ที่เราได้ตั้งหกตั้งใจทำเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านเข้าถึงความเป็นปกติของจิตใจซึ่งเป็นความสุขเกษมสาร มีพระนิพพานในเบื้องหน้าในเร็วนี้โดยทั่วหน้ากันเตินเจริญพร